ขอโอกาสมกลมอืมแล้วก็การเพื่อนจากระดมเที่ยวลดมาเจริญพรในอย่งญาติโยอมตัวเต้นก็เพิ่งกลับมาจากจังหวัดระยองกลับไปบ้านมา มีคนตายที่นั่ น, นก็เอาไปลอยอังคารที่กาะเสม็ดก็ดูเขาทำพิธีกรรมกันทำบุญเลี้ยงพระแล้วก็เชิญแขกเหลือมาร่วมงาน คลๆมันจะหลงการตายอ่ะไม่ต้องใส่จุดดำเรียงอาหารวก็เอากระดูกที่เผาเสร็จแล้วเอาลงเรือพากันไปประมาณยี่สิบคนนั่งเรือไปหเห็นลูกเวลารอยอังคาร เอากระดูกแม่ลอยไปกลางทะเลเนี่ยหมดแรงไปเลยลูกชายสองคนถักจันม .6 เหมือนแม่หายไปแล้วร่างของแม่กลางคืนในนอนตาไหลลิ้นนตาไหลก็เลยรู้สภาพลหลัก ใจของคนถ้ามันไม่มีที่พึ่งเนี่ยมันการพัดพากเนี่ยรุนแรงกระทบกระเทือนใจต้องมีคนนอนเป็นเพื่อนญาติพี่น้องประสบการณ์เหล่านี้โจทย์เหล่านี้เนี่ยถ้าเราเคยผ่านมาเราก็เห็นว่าทุกครั้งที่มีการสูญเสียไม่ว่ามากหรือน้อยใจของเรามันจะ ไม่ปกติเร า, าช่วยกันให้ความอบอุนให้กำลังใจเวทีพึ่งถ้าให้หลักกรรมฐานก็จะยิ่งเกิดประโยชน์สูงสุดก็เลยออกอบายชวนปิดเทอมนี้พากันมาบวชแน่นเถอะก็อยู่มานาน สี่สิบห้าปีฝึกกรรมฐานไม่เคยให้ญาติพี่น้องใกล้ตัวนั้นได้รู้เรื่องนี้เลยเห็นว่าเมื่อเขาทุกข์ทุนที่สุดก็จะมาเองรอรอได้คอยได้จนตกลงกันว่าเดี๋ยวช่วงปิดเทอมนี้ ถ้าเป็นไปได้ปิดเติมก็จะมาเนี่แหละบดเนนกันสามคนลองฝึกกรรมฐานดูกล้า บ, บอกกลา้าชี้ตรงนี้ก็เลยเห็ที่ว่ามันพิสูจน์ได้จริงๆว่าความรู้สึกตัวการมีสติในมันทำให้จิตของเรามันคืนสูส่สภาวะปกติจริงๆ ก่อนอื่นอาจจะช่วยได้บ้างเรื่องความเป็นอยู่การศึกษาปัจจัยสี่ภายนอกแต่ว่าเรื่องภายในไม่ต้องพยายามพึ่งได้ว่าวิธีการฝึกหัดอย่างเช่นเรามาอยู่วัดป่าสุกโตเนี่ยวันนี้พี่ชายมาส่ง <c oughs> คนนี้นี่กลับมาจากญี่ปุ่นยังไม่เคยเจอพี่สาวเลยสิบสี่ห้าปีพี่สาวกันโตแยกกันอยู่ทำงานทำการกันแล้วก็ทีมกันก็คือบวชอยู่ที่นี่ปีนี้ปีที่สิบสี่เราก็ไม่เคยไปมาหาสู่กันเลยหลังจากที่แยกกันในการ เว่าเออเริ่มพอเข้ามาวัดปั๊บก็เริ่มสัมผัสอากาศเยน็นนะความเย็นเนี่ยรู้สึกว่าวัดมีป่าเยอะมีธรรมชาติที่ดีเริ่มพูดถึงเออมันเป็นบัี่แปลกไม่เคยเห็นเนี่ยัว้วารู้สึกพวกนี้เนเราก็คงเคยเกิดขึ้นกับตัวเราจนไมต้อง เรามาอยู่ที่วัดป่าสโตโกกันเจอบุคคลเจอหลวงพ่อครูบาาจารย์เจอคนแนะนำจนมาเห็นวัดเกิดสัทธามีความเชื่อพราที่นี้เขาสอนไม่ผิดทางเพราะลงความรู้สึกตัวหลังจากที่มันเกิดขึ้นจากกา ร, การเคลื่อนการไหวเดินมกรมนั่งสร้างจังหวัดแต่ละขันนะเป็นปัจจุบัน เราได้เห็นกิริยาการต่างๆของกายของจิตมันก็แสดงให้เราเห็นชัดมันก็เคยแสดงมันอยู่แล้วชั่วนาตาปีแต่ว่าเราไม่เคยเห็นมันชัดๆพอมันมีความรู้สึกตัวฝึกจากการเคลื่อนการไหวเราเห็น ในรายละเอียดต่างๆมันเป็นอาการที่แสดงออกของรูปทานามําต่างๆความคิดอดีต น, นาคตหรือว่าเป็นสุขเป็นทุกข์ต่างๆที่มันเคยประทับเอาแว้มก็ถูกรู้ถูกเห็นถูกกังที่ นุธรความคิดมันเห็นความคิดมันก็เป็นอิสระอารมณ์ต่างๆที่เกิดระหว่างปฏิบัติอจะเป็นความรวงเหงาเอานอนความเบื่อความเมื่อยสงสัยหรือว่าหงุดหงิดหลายๆอาการที่มันแสดงออกมาความโล่งผ่งเบาเราก็เริ่มสัมผัสกับมัน รับรู้โดยไม่เอาความพอใจหรือความไม่พอใจเข้าไปใส่ให้ค่าการต่างๆมันก็เริ่มมีอิจฉแต่เริ่มต้นปฏิบัติที่ไม่เคยรู้ก็ได้รู้ที่ไม่เคยเห็นก็ได้เห็นมันเป็นความรู้สึกตัวจึง ม, มีความแ ย, ยบคาย จิตใจก็เริ่มเห็นที่เพิ่มในหลักของชีวิตเห็นกายหนอาการของกายเป็นเวทนาเป็นตกเป็นทุกเห็นาการของจิตที่มเกี่ยวเนื่องกับกายสัมผัสสัมพันธ์เห็นธรรมชาติของจิตในที่มันคิดเก่งเป็นภาษาในสมองเป็นภาษาในตัวในตนของเรา มันเป็นสมมุติมากมายเหลือเกิ น, problem, น, น, นเป็นวันจันทร์วันพุธวันศุกร์วันอาทิตย์มะกราบุคุมภามีนาเมษาเป็นวันเป็นเดือนเป็นปีชวดหนูจะรู้วัวขานเสือตอกต่ายก็สมมุติกันเป็นการเวลาต่างๆจนเป็นประเพณีนิยมพิธีกรรมต่างๆพราม์อยู่ในพุทธพุทธอยู่ในพรามอยู่ด้วยกัน เป็นตัวบทกฎหมายต่างๆเป็นกรอบเป็นกติกาเป็นวัฒนธรรมมันเป็นสมมุติที่เราเห็นต่างคนต่างว่าต่างคนต่างคิดต่างคนต่างทำแต่เมื่อมีข้อตกลงร่วมกันก็ถือว่าถูกเราเห็นเราเหอาการหล่านั่นก็ถูกของเา้าะ จะคิดจะพูดจะทำอยู่ในกรอบที่เรียกว่าดีที่เรียกว่าไม่ดีมันก็ถูกแบบของเขาแต่ว่าความรู้สึกของเราคือผู้ดูโดยจะเห็นว่ามันเป็นแค่นั้นเองจนใจของเรามันก็ไม่ได้เป็นอะไรอะไรมันก็ปกติอยู่ ก, การกระทบ่างๆาหัจะจัวใจใจใจใจใจใจใจคจใจใจใกจใจจใจใจใจใจใจจใจจใจใ คิดล้วก็พูดคิดแล้วก็ทํามันก็อยู่ในกรอบที่ไม่ไ ด, ดมได้เบียดเบียนตัวเองไม่ได้เบียดเบียนผู้อื่นตรงนี้จะอยู่ที่ไหนมันก็ไปเถอะโรไวนี้ทําเหตุทำปัจจัยตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม่มันมีด้วยอยู่ตรงไหนก็ไม่มีปลาละอยู่ตรงไหนก็ไม่เป็นปาละพึ่งตัวเองได้มากความรู้สึกตัวมันก็ ไปแล้วนาะของการเคลื่อนการไหวนะที่มันมีสติความเป็นปกติเป็นกรอบเป็นเกณฑ์ที่คอยขนาบคอยชี้คอยวัดคอยให้จิตของเรามันมีที่อยู่ที่อยู่ของจิตก็คือปกติทุกครั้งที่รู้สึกตัวรู้ทันนะ สติมนว่องไวละเอียดละเอียมก็รู้ความคิดมั น, นำำเป็นนามธรรมเป็นนามรูปมันก็ทันมีที่อยู่เราก็ไม่ได้ประคองที่อยู่แเรวก็เปิดเปิ ด, ปดตาก็เปิดหูก็เปิดจมูกก็เปิดลิ้นก็เปิดกายก็เปิดใจก็เปิดไม่ได้ห้ามกระทบได้เห็นได้สัมผัสได้แต่ว่าไม่ทุก รู้สึกเป็นการเปิดเผยตรงนี้แหลมันจะไม่มีที่รั บ, บปิดบังาำลังมีชีวิตเป็นยังไงมันแสดงออกเป็นธรรมชาติจนู้าจะเป็นเป็นอิสระความรู้สึกตัวแต่ละขนณะในว่าในรูปแบบนี้มันจะชี้วัดอย่างดีเลย มีวัอารมณ์ต้องอารมณ์ที่ปรากฏเป็นอาการนอกรูปแบบขณะที่เราทำงานท ำ, านทำการก็เห็นว่ามีความคิดที่คิดในเรื่องราวต่างๆจำได้หมายรู้สัญญาวาสนาอาธิวาสน า, า, า, สนาหรือว่าอุปนิจจิสันดานมันก็จะได้แสดงออกมาให้เราได้มีตัวมีตน ถ้าใช้ถูกก็เป็นหน้าที่ดูงดงามเป็นหน้าที่จะเกี่ยวข้องกับอะไรก็เป็นหน้าที่เป็นธรรมชาติที่มันไม่ยึดอาเป็นความพอใจไม่พอใจแล้วก็หลงติดสุขติดดีมันเป็นเรื่องของความรู้สึกตัว ที่เป็นปกติทำจาเป็นธรรมดาธรรมชาติเนี่ยปฏิบัติธรร ม, มันจะเป็นความหมายมาจากความรู้สึกบางทีมันใช้ภาษามันใช้ไม่ถูกภาษาคนนะแต่ว่าถ้าเคลื่อนไหวได้นั่งเดินยืนนอนได้แล้วก็มีใจที่มันตื่นรู้แล้วก็เบิกบาน มันเป็นสภาว่ามันเป็นอาการที่มันมันเป็นคําตอบอยู่ในตัวผู้ที่ไปบัดรเราก็ถูกมันจะเป็นความรู้สึกที่ดีวันดีคืนเป็นเป็นปกติตอนตื่นจนทัางเมี่ยมิดจะนอนหลับเนี่ยมันเป็นความรู้สึกที่ปกติรู้สึกวบางๆบางๆหลงหลง ผู้สุขผ่อนคลายกายผ่อนคลายมันตึงมันมีอาการมันมีปฏิกยาเราก็รู้ว่ามีธรรมชาติที่จะต้องมันก็เกี่ยวข้องบางทีก็มีท่านั่งท่าเดินท่ายืยนท่านอนอันนซ้ายแลวกว่าขยับนิดๆหน่อยๆมันก็เป็นอาการที่มันแก้ทุก คาแก้ทุกข์ก็คือมันเป็นเรื่องของสติปัญญาพาธรรมมันจะไม่สงสัยหรือว่ามีอาการติดขัดอยู่ภายในขัดแย้งอยู่ภายในมันเหมือนกับมันได้คําตอบอยู่ในตัวเป็นแค่ธรรมชาติเอียบดนั่งเดินย็นนอนเป็นกิริยาการที่มันแก้ทุกข์แต่ว่าเรามีสติเราเห็นความเป็นปกติในการแก้แก้ทุกข์ของกาย เขาก็ฉลาดจิตใจก็เหมือนกันอันนี้ก็ง่ายนิดหนึ่งเวลามันมีสภาวะของอารมณ์ที่เกิดขึ้นนิดๆหน่อยๆมันก็จะมีน้ำหนักทันทีมันก็มีความเป็นปกติเป็นตัวตัวปรับหรือว่าความรู้สึกที่ฐานกายเบื้องต้นมันตัวปรับความรู้สึกที่เวทนามนตัวปรับ ความรู้สึกที่เวลาจิตมันคิดมันตัวปรับแล้วความรู้สึกเวลามันมีธรรมชาติรูปรดกลิกก่นเสียงอัพธภาธรรมรมเกิดขึ้นมามันก็ปรับเป็นตัวปรับเป็นตัวเล่ามาของสติสมัยัญญาเราก็รู้เราก็รู้ถูกเป็นหน้าของสมาธิที่ที่มันเห็นมันเห็นตรงมีอาการต่างๆลากับําริ เป็นความรู้สึกตัวเป็นปกติจนเป็นธรรมดามันก็ผ่านตลอดพอมันเห็นจำๆทํำจำ ๆ, ๆเห็นจำๆทำจำๆววมันเรียกว่ความต่อนเนื่องความต่อเนื่องทำไเราได้รายละเอียดนะมีความชํานาญเกิดเทคนิคเกิดทักษะขึ้นมะชํชนานาญชนานาญที่จะเห็นทุกเห็นเหตุแห่งทุกก้าวล่วงมันมันทีเดียวเลยขณะเดียวเลย เห็นปับผ่านเลยเห็นปับผ่านเลยเหมือนเหยียบน้ำมันชักเท้าออกมาทันทีมันแตะไฟมันก็ชักมือออกมาทันทีเป็นอัตโนมัติรู้สึกร้อนนิดเดียวรู้สึกเจ็บนิดเดียวมันปรับกลับมาปกติคืนสู่ปกติมีความปลอดภัยปลอดภัยไม่มีภัยคิดแ ล, ลด้วโลภคิดแลด้วโกรธคิดแล้วหลงมันร้อนเป็นโทสะ้เป็นโมหะเป็นโลภะมันร้อน มันไมไม่รู้สึกลงๆเบาๆกันว่างตื่นๆมันจะมือๆถ่มๆทุบๆงงๆเบลอๆแล้นือวามรู้สึกแต่ละขนามันก็จะได้คำตอบบอกทิศบอกทางทันทีที่รู้สึกตัวเป็นปกติไม่ปกติรู้สึกไม่รู้สึกรู้หรือว่าหลงนคือการฝึกหัด ทิมใจเราพึงได้เมื่อเกิดยามพัดผักนะจากของลกของชอบใจกลับมารู้สึกตัวเห็นความจริงเมื่อปรารถนาจริงใดไม่ได้จริงนั้นกลับมารู้สึกตัวเห็นความจริงเมื่อมันมีความคิดเกิดขึ้นมาเราก็เห็นความจริงมันห้ามไม่ได้แต่ทุกครั้งที่มันคิดโดยที่ไม่ได้ตั้งใจมันก็อย่รู้ทันทันที คิดเท่าไหร่ก็รู้เท่านั้นเรื่องเก่าจบเรื่องใหม่มาเรื่องเก่าจบเรื่องใหม่มามก็เป็นก็มันอยู่เช่นนั้นแต่ว่าพอจิตมันมีปกติมันมีที่อยู่ความคิดมันก็ไม่ค่อยรบกวนหรือมก็ไม่รบกวนเลยต่างคนต่างอยู่เหมือนขับรถถึงคนละเลนความคิดก็อยู่เลนนึ่ง ความรู้สึกตัวมันก็อยู่เลนหนึ่งสติทำเป็นยันยะเหมือนก็ติมจะอยู่กลางๆแล้วลความคิดมันอยู่ซีซ้ายนามอยู่ที่ซ้ายรูปอยู่ที่ขวาเงี้ยมันเป็นความรู้สึกเขียนจิบอาเผอหลงไปยึดเอาขันหน้าเป็นความทุกข์ก็มีอาการมีปฏิกิยา รความรู้สึกที่มันหนักกับมันเบาต่างกันความรู้สึกที่ปกติกับไม่ปกติมันก็ต่างกันเราก็จะได้เห็นกันในปฏิบัติยิ่งทํามากๆก็ได้เห็นหาการมากๆแต่ว่าอย่าทําด้วยความอยากทําเมาืา่อการปรารลบเหตุทําให้มีผลเกิดจันท่าเกิดวิยะเกิดจิตตาวิมังสาเป็นเหตุพอใจที่จะรู้สึกมันก็มีผลทุกครั้งที่ปกติ มันปรากฏมาจากเหตุเหตุที่เรารู้สึกตัวเป็นถึงไม่เป็นก็ไม่เป็นไรเพราะว่าการทําอะไรที่แรกมันก็ไม่เป็นหรอกแต่ว่าต้องฝึกต้องหัดต้องทดลองกันแล้วก็สังเกตจนมันเริ่มมีประสบการณ์หลายๆครั้งก็มก็เลือกเป็นเรียนผิดเรียนถูกแต่ว่าเลือกเป็นถูกก็เรียนผิดก็เรียน ตอมเลือกเป็นความจำเป็นไงเนหะ็นว่าเออผิดก็ไม่เป็นไรถูกก็ไม่เป็นไรก็รู้สึกอยู่เวลาหลงไปก็รู้อยู่เวลาคิดไปก็รู้อยู่เวลามันลู้ก็รู้อยู่ตรงนี้นแหละมก็จะสนุกเลยมากลายเป็นเรื่องของการมีสตินมีศีลมีสมาธิมีสมัมมณยะเป็นมรรคเป็นผลเป็นมรรคเป็นผล เกิดจากความรู้สึกตัวหลวงพ่อเรียนท่านก็พูดไม่ผิดนเห็นกายเคลื่อนไหวเห็นใจนึกคิดเนีมันเป็นจุดจุดอ่อนทีเดียวของชีวิตทาไม่เห็นกายเคลื่อนไหวไม่เห็นใจที่มันคิดมันนึกนะอยู่กับความทุกข์มีกายก็ทุกข์กายมีใจก็ทุกข์ใจมีความคิดก็ทุกข์เพราะความคิด แต่พอเรามันมีความรู้สึกตัวมันเริ่มเห็นแล้วว่ามันมีทางออกมันได้หลักได้หลักชีวิตคลวงพอ่อเขียนนั้นพูดถึงสภ า, าวะผู้ดูใหม่ๆแล้วก็ไม่รู้ว่าผู้ดูเป็นยังไงผู้ดูผู้ดูอาจารย์ปรามเออร์พูดถึงตัวรู้ตัวรู้ให้มีตัวรู้เวลาจิตมันมีอาการต่างๆให้มีตัวรู้เข้าไป ถ้าทนดูจิตไม่เป็นง่ายมาดูกายดูการเคลื่อนกันไว้กันของหยาบพอดูกายมันก็เห็นกายตามความเป็นจริงอาการของกายมากมายจนหลวงประเทียนบอกว่าเห็นเป็นรูปโลกน้ำโลกรูปทุกน้ำทุกรูปสมมุติมันมีมนามสมมตุติพวกนี้เห็นจนเป็นปรมาถสภาวะธรรมเห็นเป็นความจริง มันก็นเป็นก็มันอยู่อย่างนั้นมีเราไม่มีเราเราจะไปบัตรไม่ไปบัตรก็เป็นก็มันอยู่อย่างนั้นโลภนิ่งก็เป็นก็มันอยู่อย่างนั้นสัพพะสัพสิ่งก็เป็นก็มันอยู่อย่างนั้นความรู้สึกตัวก็เลยเป็นเรื่องของการที่เราสัมผัสกระทบโดยที่ไม่ต้องมีคําพูดต่างๆคําบริกรรมก็จึงไม่จําเป็น คำมิกรรมมันเกิดจากจิตมันคิดพุดโทโธสัมมาหลังยุบเนอะพองหนอซ้ายขวาตายติงนิ่งเป็นคำมริกรรมพุโทโธพุโทโธเนายกหนอะย่งางเนอเหยียบเนอกดหนอเป็นอาการของจิตที่มันคิดมันเป็นสมมุติแต่ว่าสัมผัสขนาดแรงขนาดเดียวมันเป็นปรมาณ เป็นสัมผัสแล้วก็จบไปนั้นเป็นอาการที่เป็นความจริงมันจบไปแล้วความจริงแต่ว่าสมมุติมันก็เป็นเรื่องของสาาัมถกรรมฐานแต่พอทําไปทําไปอาการของกรรมปิการมันหายไปแต่วิธีฝึกแนวหลวงปู่เทียนก็คือเราไม่ต้องใช้กรรมปิการไ ม, ม่ได้นิดเดียวเลยสัมผัสเคลื่อนไหวพลิกมือรู้สึกตัวยกมือรู้สึกตัวหรือว่าการเหยียบกันกระทบสัมผัสขณะเดินยองกล ม, มารู้สึกตัวตรงๆ เราก็เริ่มยยยแยกแยะเห็นได้ว่าสัมผัสรู้กับคิดรู้มันก็เหมาะสำหรับคนที่คิดมากๆนเวลาปฏิบัติแล้วก็ความทุกข์เก่าๆปัญหาเก่าๆความคิดมันทะลักทะลวงเข้ามาเราได้เห็นชัดๆตรงๆลงไปเลยสัมผัสกับตัวคิดคนละตัวกันอารมณ์ต่างๆาระหว่างความรู้สึกตัวกับอารมณ์ก็คนละตัวกัน ความโลภความโกรธความหลงเกิดจากความคิดถ้ามันไปไกลมันก็ถึงกันดี่ว่าเป็นความโลภความโกรธความหลงความทุกข์เก่าๆก็ตามมาอีกแต่พอเราสัมผัสเป็นปัจจุบันกันนะมันก็ตัดทันทีตัดทันทีเรากได้เห็นทันทีว่ามันมีประสิทธิภาพจริงๆกลไกของความคิดก็ถูกรู้เท่ารู้ทัน กรรมฐานก็แสดงคุณภาพแล้วปฏิธิภาพเมื่อปฏิบัติถูกเขาจะได้สัมผัสตันดีวางกายกายๆวางใจสบายๆผ่ อ, อนคลายเขารู้สึกทำเล่ น, ลนๆแต่รู้จริงๆมันจะเป็นความรู้ที่เพึ่งได้ขณะปฏิบัติเลยมีการเรียนรู้รับรู้เป็นการสัมผัสรู้ ในการรู้จักการปฏิบัติอันนี้มันจะเป็นล้านนาของที่พึ่งจิตเรามันมีการภาวนามีการพัฒนาเราเห็นบุญเห็นบาปเ ห, เห็นอรศณเห็นอกุศลเกิดจากความคิดทั้งนั้นเลยตรงนี้เราจะเกิดนิพิากันมาเกิดเบื่อเบื่อ บื่อการคิดเบือ่อความทุกข์เก่าๆปัญหาเก่าๆที่เกิดจากระบบความคิดคิดจนกินไม่ได้คิดจนนอนไม่หลับมันจะไม่ให้ราคาความคิดเวลาคะ เ, เกิดการไม่ปรุงกันมากวิสังขารฉากสังขารกันปรุงกันแต่งอยู่ในระบบความคิดมาเลยสัญญาความทรงจําจําได้ไหมรู้ว่าเกิดในระบบความคิด จิตเกิดสัญญาใหม่ขึ้นมาหลังจากที่เราภาวนาจนกระทั่งมีความต่อเนื่องเกิดการจดจําขึ้นมาเป็นการรู้จริงรู้แจ้งเห็นธรรมะเห็นสัจธรรมตามความเป็นจริงเหตุโลกตามความเป็นจริงเกี่ยวข้องถูกต้องต่อไปกายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายนี่นี้ไม่พน้นเวลาแก่ก็แก่แบบเข้มแข็งเวลาเจ็บก็เจ็บแบบอานอ่านเวลาตายนั้นเรายังไม่รู้มันจะเป็นยังไงนะทุกคนก็ต้องเจอกัน ราหมายใจตอนก่อนใจจะขาดจิตสุดท้ายกันไหนมันจะดับลงอันนี้บอกกันไม่ได้ตรงท้ายสุดชะล่ของจิตที่มันคิดมันไปอดีตไปอนาคตอันนี้เราก็เห็นละอาการเกิดดับที่มันเกิดทียภายในจิตใจของเราเรารู้ผ่านความรู้เนะื้อรู้ตัวรู้สึกตัว ดูกลก็ต้องเห็นจิตเห็นใจเราบอความคิดอยู่ในจิตใจในสมองเป็นความรู้สึกตัวเหมือนกัน น, นจะก็จึงเป็นเรื่องของคนทุกคนแล้วละที่เรารู้สึกว่าเราโชคดีไป้กลคนโชคดีที่ว่ามานั่งอยู่ตรงนี้แล้วว่ามีโอกาสที่จะสัมผัสรู้ ในสัมผัสรู้วิธีปฏิบัติแบบแนวเคลื่อนไหวแล้วมันก็เป็นเรื่องของความจริงที่เราสัมผัสได้มันเหนือเหนือคำพูดเหนือคำโฆษณาเหนือการอ่านตหรับตําลาจากหนังสือหนังหาแล้วฟังเทศฟังธรรมันเป็นการสัมผัส กุ๊งังที่สัมผัสธ์ก็เป็นตัวปฏิบัติแล้วก็พึงได้จริงๆเราก็ให้โอกาสให้เวลาธรรมชาติในประเทศไทยนี่สุขโตเป็นอีกที่หนึ่งเท่าที่สังเกตดูมันเย็นตลอดจริงๆละยองนี่ยังเหนียวยังร้อนอยู่ฝนตกนี่ยังร้อนอ้าวประมาณสักยี่สิบเจดองศากี่แปดองศา ของเราก็ประมาณ 18-19 องศาต่างกัน10องศาเย็นเลเด้อเราถือว่าเย็นกายเย็นใจกายเราเย็นด้วอุณหภูมิที่อากาศเปลี่ยนแปลงแต่ใจเราเย็นเพราะมันไม่ได้ร้อนมันอยู่ร้อนนอนทุกมันอยู่เย็นเป็นสุขทุกครั้งที่มันมีความรู้สึกตัวเป็นปกติดีมันก็ไม่ร้อน นัเป็นความโชคดีของพวกเราเราก็ใช้โอกาสนี้เป็นเป็นเรื่องของประโยชน์ที่จะสร้างคุณค่ากาบชีวิตที่เหลืออยู่ของเราต่อไปอะไรอย่างนี้ว่าสมควรกันบ้างเราเร า, เรากาบพระพรองกันแล้วก็แยกย้ายกันฏิบัติต่อ